จากทีมงานณบ้านวรรณกรรมคงไม่มีคำพูดใดที่จะแทนความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจสำหรับเพชรน้ำเอกแห่งวงวรรณกรรมเพชรพระอุมาจากความฝันในห้วงจินตนาการสู่ความเป็นจริงบนตัวอักษรเพชรเม็ดนี้ได้ถูกหยิบยื่นให้สำนักพิมพ์ณบ้านวรรณกรรมเป็นผู้เจรนาย ในปีพุทธศักราช2535นับจากวินาทีนั้นทุกฝ่ายทุกส่วนต่างเตรียมพร้อมต้นฉบับเพชรพระอุมาถูกกระดมโดยทีมงานซึ่งมีจำนวนไม่กี่คนนับจากขั้นตอนสั่งตัวการเรียงพิมพ์ซึ่งตอนนั้นใช้ระบบคอมพิวกราฟิกและต้องตัดแปะเองโดยฝ่ายศิลปรกรรมจากนั้น จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายพิสูจน์อักษรและส่งแก้ไขอีกครั้งในครั้งแรกของการพิมพ์เพชรพระอุมาภาคหนึ่งแบ่งออกเป็น6ตอนคือไพรมหาการดงมรณะจอมผีดิบมันไรอาถานนิธานาครป่าโลกล้านปีและแง่ทรายจอมจักราทั้ง6ตอนของภาคหนึ่งมีจำนวน 8,556 หน้า นับจากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพชรพระอุมาภาคหนึ่งใช้เวลาในการผลิตถึงสองปีเต็มเต็มเริ่มจากปีพุทธศักราช2534ถึงพุทธศักราช2536หลังจากภาคหนึ่งจบลงทีมงานก็ไม่รังรอจึงระดมพลกันอีกครั้งเพื่อผลิตภาคสองจอมพราน ซึ่งต้นฉบับเดิมเป็นปกแข็ง15้าเล่มและภาคสมงกุฎไพรซึ่งต้นฉบับเดิมเป็นปกแข็ง14เล่มด้วยขั้นตอนเช่นเดียวกันนับจากวันที่เริ่มจนถึงขั้นตอนสุดท้ายใช้เวลาสองปีเต็มเช่นกันคือในปีพุทธศักราช2537ถึง2538แต่เนื่องจากภาคสองจอมพราน และภาคสมงกุฎไพรนั้นมีเรื่องราวตลอดจนการดำเนินเรื่องติดต่อกันทางสำนักพิมพ์จึงเรียนปรึกษาคุณพนมเทียนเพื่อขออนุญาตใช้ชื่อว่าเพชรพระอุมาภาคจบสมบูรณ์โดยขอแบ่งออกเป็นห้าตอนซึ่งคุณพนมเทียนก็ได้ตั้งชื่อตอนเรียงตามลำดับดังนี้จอมพรานไอ้งาดำานาคเทวี แต่ปางบันและมุงกุดไพรครับเพชรพระอุมาภาคจบสมบูรณ์จบลงแล้วด้วยความยาวจำนวนทั้งสิ้น7528หน้ารวมระยะเวลาในการผลิตเพชรพระอุมาทั้งสองภาคเสร็จสมบูรณ์โดยจำนวน48เล่มทีมงานใช้เวลาถึง4ปีเต็มด้วยจำนวนหน้าทั้งสิ้น 16,814 ห, หน้าโดยมีคุณวีรพันธ์บุญเขียนเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพประกอบในทันทีที่เพชรพระอุมาวางแผงเพียงระยะเวลาไม่นานก็ดได้รับการตอบรับจากแฟนนักอ่านอย่างท่วมทน้นบางท่านมีความกังขาข้องใจในจุดใดก็จะมีจุดหมายจะมีจุดหมายถึงสำนักพิมพ์และนักเขียน คือคุณพนมเทียนราชนแห่งนักเขียนซึ่งนั่นคือการตอบรับที่ส่งผลต่อเพชรพระอุมาเป็นอย่างมากในครั้งนี้เองทางสำนักพิมพ์ได้จัดพิมพ์เพชรพระอุมาฉบับพิเศษขึ้นเป็นกรณีพิเศษคือการจัดพิมพ์ฉบับปกแข็งเย็บกีสวยงามรวม48เล่มจบบริบูรณ์เพื่อจำหน่ายในราคาปกอ่อนให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน เป็นการส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชนโดยจัดพิมพ์เป็นฉบับปกพื้นสีขาวและฉบับปกพื้นสีแดงสำหรับบุคคลทั่วไปอีกทั้งยังจัดทำตู้เพชรพระอุมาเป็นกำนันพิเศษสำหรับเพชรพระอุมาฉบับปกแข็งนี้เพื่อการเก็บรักษาที่สะดวกเป็นระเบียบและสวยงามในครั้งนี้ทางสำนักพิมพ์ได้จัดให้วาดภาพประกอบปกขึ้น ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญและได้รับเกียรติจากศิลปินในการวาดภาพครั้งนี้คือคุณประทีปคดชบัวโดวยเป็นภาพลายเส้นรวมเหตุการณ์สำคัญในเรื่องเพชรพระอุมาจำนวน48ภาพนับจากปีพุทธศักราช2538ปีแห่งการพิมพ์ครั้งแรกจนถึงวันนี้ร ว, ร, ะะรวมระยะเวลาถึง7ปี เมื่อสำนักพิมพ์ทบทวนต้นฉบับกลับไปก็พบว่าในการเรียงพิมพ์ของสำนักพิมพ์ก่อนหน้านี้มีหน้าขาดตกบกพร่องเยอะประกอบกับคุณพนมเทียนเมื่อครั้งเขียนส่งเป็นตอนๆความรีบเร่งเพราะกระแสผู้อ่านเร่งร้าวตลอดเวลาทั้งยังเป็นรายสัปดาห์จึงขาดโอกาสทบทวนขัดเกลาจากเหตุผลนานาประการประกอบกับในพุทธศักราช 2,544 จะเป็นโอกาสสำคัญคือครบรอบ70ปีของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่พนมเทียนดังนั้นในต้นปี 2,542 ทางสำนักพิมพ์ณบ้านวรรณกรรมจึงทำการปรับปรุงเพชรพระอุมาอีกครั้งการปรับปรุงครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงที่สำคัญยิ่งนับตั้งแต่การเรียงพิมพ์ตัวอักษรใหม่ทุกตัว การพิสูจน์ความถูกต้องของทุกตัวอักษรของทุกคำและของทุกประโยคนับเป็นการทำงานครั้งยิ่งใหญ่ของทีมงานเรียงพิมพ์และกองพิสูจน์อักษรเลยทีเดียวและครั้งนี้บรรณาธิการคือคุณรักชนกนามธรได้ลำดั บ, บวรรคตอนการเน้นคาการจัดย่อหน้าใหม่ร่วมกับกองบรรณาธิการอย่างละเอียดและใกล้ชิดเพื่อให้ผู้อ่านอ่านง่าย บนความเรียบร้อยสวยงามสำคัญยิ่งในครั้งนี้ก็คือทางสำนักพิมพ์ได้รับเกียตรติจากคุณสมชายปานประชาศิลปินผู้มีเพชรพระอุมาอยู่ในหัวใจบรรจงวาดภาพทั้ง24ภาพด้วยระยะเวลาถึงสองปีเต็มเพื่อให้เพชรพระอุมาภาคหนึ่งมีปกหนังสือที่สมบูรณ์และคลาสสิกเป็นที่ประทับใจและน่าเก็บรักษา และที่สําคัญที่สุดคือคุณพนมเทียนเป็นผู้ตรวจทานเนื้อหาแก้ไขข้อบกพร่องของเพชรพระอุมาครั้งนี้ด้วยตนเองนอกจากนี้เพชรพระอุมาและพนมเทียนได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้เกียรติเขียนคํานิยมถึงนวนิยายไพัยอมตะในมุมมองต่างๆนับจากคุณชวนหลีกภยัยคุณมีชัยริชุพันธ์ คุณเสนะเทียนทองคุณพิจิตรรัตกุลคุณปองพลอดีรกสารคุณสุประดิษฐ์หุตสิงห์ด็เตรธงชัยยงเจริญด็อร์รื่นฤทัยสัจพันธ์คุณองค์อาจโรจนสุพจน์คุณสุพัฒนสวัสดิรักคุณประพัฒสอนเสวิกุลดร์ธีรชัยเขมนสศิริคุณทีวาสาระจุทะ คุณยืนยงโอภากุลคุณนพพลโกมารชุนคุณทเนศเนติโพพลตำรวจด็อกเตอร์สวัสดรร์สรลำคุณสมศักดิ์ธินกรณอายุทยาพันเอกนายแพทย์ชอบกรประดิษฐ์กัปตันรพินนิตยะวัฒนะคุณสุรชัยจันทิมาธรพลตำรวจรีสุรศักดิ์สุสทธาร์ และคุณสมชายปานประชาถ้าหากจะนับขั้นตอนการพิมพ์ครั้งใหม่นี้จากขั้นตอนแรกจนเสร็จสมบูรณ์เป็นเพชรพระอุมาในรูปเล่มใหม่ที่คุณผู้อ่านกำลังสัมผัสอยู่นี้เริ่มจากปีพุทธศักราช2542ถึง2545รวมระยะเวลาถึงสองปีสองเดือนโดยจัดพิมพ์สำเร็จสมบูรณ์ครบ ทุกเล่มในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่30ประจำปี2545ด้วยจำนวนทั้งสิ้น1 0 8 9หน้าบัตรนี้ภาคหนึ่งของเพชรพระอุมาเสร็จสมบูรณ์ลงแล้วน้ำเงื่อทุกหยดของทีมงานและระยะเวลาของการผลิตคือสิ่งการันตีถึงความสมบูรณ์ของนวนิยายเรื่องนี้ คงไม่มีคำใดจะแทนความรู้สึกภาคภูมิใจของคนทำงานได้และกล้ากล่าวอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเพชรพระอุมา um คือเพชรน้ำเอกแห่งวงวรรณกรรมอย่างแท้จริงทั้งกล้ากล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำอีกว่าณบ้านวรรณกรรมงานของเราคือความภูมิใจของนักอ่านและนักเขียน ขอได้รับคำขอบคุณอย่างเต็มหัวใจจากทีมงานณบ้านวันกรรันเมษายน2545